มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัธรรมวัตรเปตานังอุทิศภะปัญหาที่8ถามว่าทำทานแล้วอุทิศผลให้เปตชนเปตชนนั้นจะได้รับผลหรือไม่ ราชาสมเด็จพระเจ้ามิดินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระนาเกษตผู้ปรีชาอิมังเตสังปาปุณาตุอันว่าผลกุศล น, นี้จงได้แก่บิดามารดาญาติกามิตรสหายบุตรภรรยาสามีของข้าพเจ้าที่ตายไปสู่ปรโลกนั้นเถิดนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าชนทั้งหลายที่ตายไปสู่ปรโลกนั้น จะได้ผลกุศลที่ทายกอุทิศให้หรือประการใดพระนาคเกศนจึงมีเทระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบางจำพวกก็ได้บางจำพวกก็ไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามลินภูมินทราธิบดีมีพระราช อ, องค์การตรัสว่าเป็นเหตุอะไรอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกศนจึงวิสัชนาว่า มหาราชะข้าถวายพระพรบพิษพระราชสมภารด้วยคนทั้งหลายที่ตายไปสู่ปรโลกนั้นบางจําพวกไปเกิดในนรกบางจําพวกไปเกิดในสวรรค์เสรวิรมชมสมบัติทิติรัชานโยนิคตาบางจําพวกไปเกิดในติรัชนานกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดียรฉานสัตว์สามจำพวกนี้ ถึงทายกจะแผ่ส่วนบุญกุศลให้ก็ไม่ได้เลยประการหนึ่งเป็นอสุรกายก็ดีเป็นขุปปิปาสิกาเปรตอดข้าวอดน้ําก็ดีเป็นนิจชามะตันหิกะเปรตเพลิงไม่ยอยู่เป็นนิดก็ดีสามจำพวกนี้ถึงญาติจะแผ่ส่วนบุญให้ก็ไม่ได้จะได้อยู่แต่พระทัตตูปชีวีเปรตนั้นจำพวกเดียว ด้วยประทัตตูปชีวีเปรตนั้นมีชีวิตอยู่ด้วยทายกอุทิศส่วนกุศลให้ถ้าว่าบิดามารดาคนาญาติมิตรบุตรที่ดาสามีตายไปสู่ปราโลกนั้นตายไปเป็นประทัตตูปชีวีเปรตแม้ทายกอุทิศส่วนบุญให้ก็ได้รับถ้าไม่ไปเกิดเป็นประทัตตูปชีวีเปรตแล้วถึงทายกแผ่ส่วนบุญให้ก็ไม่ได้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาทานทีิทยกถวายแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาเป็นต้นที่ตายไปสู่ปรโลกถ้าบิดามารดาเป็นต้นนั้นมิได้เกิดเป็นประทัตตูประชีวีเปรตก็ไม่ได้แล้วผลทานนั้นจะมิสูญเปล่าหรือ ท้าวายาตมีดามารดาเป็นต้นเกิดเป็นอื่นผลทานนั้นก็สูญเสียเปล่าไม่เป็นประโยชน์นาสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเซนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะข้าถวายพระพรบอพิษพระราชาสมภารผลทานนั้นจะสูญเปล่าหาไม่ได้ทายกผู้ให้ทานนั้นก็ได้ผลทานนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่า พันเตนาคเสณะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาการณีนะมังสัญญาเปหิพระผู้เป็นเจ้าจงยังโยมให้รู้โดยอุปมาในการบัดนี้เถิดพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะฆ่าถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยังมีบุรุษผู้หนึ่งจะไปเยี่ยมญาติของอัตมา ตกแต่งซึ่งสุรามังสะกับภูชนาหารขนมของกินแล้วจึงนำเอาของเหล่านั้นไปฝากตระกูลญาติของอัตมาก็หาพบปะญาติใหม่เมื่อไม่พบญาติแล้วก็จะเอาของนั้นให้แก่ใครเล่าของนั้นจะไม่หายสูญเปล่าหรือบอบพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโ์การตรัสว่าณิพันเตของนั้นจะสูญไปหาไม่ได้ ของนั้นก็อยู่กับเจ้าของนั่นแหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะข้าถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความประการนี้เปรียบฉั้นใดทายกกระทธรรมานอุทิศผลบุญไปให้แก่ญาติของตนเมื่อญาติไม่เป็นประทัตตูปชีวีเปรตแล้วผลฐานนั้นจะสูญไปหาไม่ได้ผลทานนั้นไส ก็คงได้แก่ทายกผู้ให้เอวะเมวะอุปมาเหมือนบุรุษชายหาของไปเยี่ยมญาตินั้นเมื่อไม่พบแล้วของนั้นก็กลับได้แก่บุรุษชายนั้นอีกประการหนึ่งขอถวายพระพรมหาบพิษเหมือนหนึ่งบุรุษเข้าไปสู่ห้องเมื่อประตูอื่นนอกจากประตูที่เข้าไม่มีแล้วบุรุษนั้นจะพึงออกทางไหน ก็จะต้องออกทางประตูที่เข้าไปไม่ใช่หรือยะถาข้อนี้มีครุวนาฉันใดทายกที่ให้ทานอุทิศผลไปให้หมู่ญาติเมื่อหมู่ญาติไม่ได้ไปเกิดเป็นประทัตตูประชีวีเปรตผลแห่งทานนั้นก็ย่อมจะกลับมาถึงท่านผู้ให้เอวังเอวะมีอุปมาฉันนั้นแหละขอถวายพระพรบวพิตรจงทรงทราบดังนี้ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าสาธุพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมนี้ไม่สงสัยเข้าใจแล้วว่าผลทานทายกให้ญาติที่เป็นเปรตถ้าว่าไม่ได้ผลทานกลับได้แก่ทายกเจ้าของทานผู้อุทิศให้สัมปติชามิโยมจะรับถ้อยคําของผู้เป็นเจ้าไว้ในการบัดนี้ เปตานังอุทิษภะพละปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้